สกุกุละวรคหมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนหนึ่งกุกุลสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนร้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนสัญญาเป็นของร้อนสังขารเป็นของร้อน วิญญาณเป็นของร้อนพิสษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปกุกุกลสูตรที่หนึ่งจบสองอ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงร้อยสาสิบ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าไม่เที่ยงคือรูปไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณ น, นั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นอนิจจสูตรที่สองจบสทุติยะอานิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงสูตรที่สองร้อยสาส เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าไม่เที่ยงคือรูปไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละ ราคะในวิญญาณ น, นั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นทุติยะอนิจจสูตรที่สามจบสอติยะอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงสูตรที่สามร้อยสาสิบเก้า เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าไม่เที่ยงคือรูปไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณ น, นั้นภิสูตทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นตติยะอนิจจสูตรที่สี่จบ5ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกร้อยสี่สิบ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นทุกขสูตรที่ห้าจบโอ้ ทุติยทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกขสูตรที่สองรสเอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกขเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นทุติยทุกขสูตรที่ห จ 7. จตติยทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกขสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูตทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกขเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นพิสูตทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นตาติยทุกขสูตรที่เจ็ดจบ 8. อนันตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา143สเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นก็ K อะไรเล่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทาในสิ่งนั้นอนัตตาสูตรที่8ปดจบเก้าทุติยอนัตตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาสูตรที่สองรอยสิบสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละราคาในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละราคาในรูปนั้นเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณ น, นั้นภิกษุท์ทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นทุติยอนันตสูตรที่เก้าจบสิบตาติยอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาสูตรที่สาม ร้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะราคะในรูปนั้นเวทนาเป็นอนัตตาสัญญา สังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณ น, นั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นตติยะอนั ต, ตสูตรที่สิบจบ11นิพิทาพหุลสูตร ว่าด้วยผู้มากด้วยความเบื่อหน่าย 146... เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุททั้งหลายกุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธามีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่ ผู้ใดมากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารมากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่ก็จะกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณผู้นั้นเมื่อกำหนดรู้รูปกำหนดรู้เวทนากำหนดรู้สัญญากำหนดรู้สังขาร กำหนดรู้วิญญาณย่อมพ้นจากรรปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชารามรณนะโสกกระปริเทวะทุกโ ท, โทมนตสและอุปายาตและย่อมพ้นจากทุกข์นิพิทาหุลสูตรที่11อจบ 12. องนิจจานุปปสีสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงร4อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธามีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปอยู่ในเวทนาในสัญญา ในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เรากล่าวว่าและย่อมพ้นจากทุก์อนิจจานุปัสสีสูตรที่ส2องจบ 13. ทุกขานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นทุกร้อยสบ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุททั้งหลายกุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธามีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกข์ในรูปอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกข์ในวิญญาณอยู่เรากล่าวว่าและย่อมพ้นจากทุกข์ ทุกขานุปัสสีสูตรที่สิบสามจบ14อนัตตานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นอนัตตาร้อยสี่สิบเก้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธา มีทำอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในรูปอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในวิญญาณอยู่ผู้ใดพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพิจารณาเห็นอนัตตาในวิญญาณอยู่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 เรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรามระโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตและย่อมพ้นจากทุกข์อนัตตานุปัสีสูตรที่14จบกุกุลวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งกุกูลสูตรสองอนิจจสูตรสาม ตติยะอนิจจสูตร 4. ตติยาอนิจจสูตร 5. ทุกขสูตร 6. ทุติยทุกขสูตร 7. ตติยทุกขสูตร8อนา ต, ตสูตร 9. ทุติยอนาตสูตร10ตติยาอนาตสูตร 11. นิพพิธาพหุลสูตรสิบสอง อนิจจานุปัสสีสูตร 13. ทุกขานุปัสสีสูตร 14. อนัตตานุปัสสีสูตร